กำหนดเขตการอยู่จำพรรษาต่อมาภิกษุผู้เถระทั้งหลายปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเรา จะสังขยาาพระธรรมและวินัยที่ไหนหนอลำดับนั้นเห็นพร้อมกันว่ากรุงราชครือมีโคจรคามมากเสนาสนะมีเพียงพอทางที่ดีพวกเราพึงอยู่จำพรรษาในกรุงราชครือสังขยนณาพระธรรมและวินัยภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงอยู่จำพรรษาในกรุงราชครือ ต่อมาท่านพระมหากรสปะประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุห้าร้อยรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครึเพื่อสังายนณาพระธรรมและวินัยภิกษุเหล่าอื่น ไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชครึนี่เป็นยัติขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งภิกษุห้าร้อยรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครึเพื่อสังขยนณาพระธรรมและวินัยภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชครึท่านรูปใดเห็นด้วย กับการแต่งตั้งภิกษุห้าร้อยรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครึกเพื่อสังายาณาพระธรรมและวินยัยภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงจําพรรษาในกรุงราชครึกท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสง แต่งตั้งภิกษุห้าร้อยรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครึเพื่อสังายนณาพระธรรมและวินัยแล้วภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชครึกสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้